ยะถาวาริวหฮาปูราปาริปูเรนติสาคารังเอวเมวิโตทินังเปตานางอุปาการปติอิชิตังปติตังตุมหังคิปเมวะสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิชโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชานตุสัปพโรโค วินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสนิดจังบุต ธ, ธาปจายิโนจัตตารธรรมาวาัทธานติอายุวันโนสุขังภาลังภวะตุสัพพะมังคลังราขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะ สัพพธรรมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสทาโสถีภวันตุเต